วมหมายของปกเปกือบุระยมนาคเกือบุระยมนาคเป็นนักวาดภาพที่มีผลงานมากมายมีงานล้นมือผมเคยขอให้คุณเกลือบุระสอนการวาดภาพลงสีน้ำอยู่ 2-3 ครั้งเพราะชื่นชมงานของเขาทุกชิ้นที่พิมพ์ในหนังสือต่างๆและติดตามงานของเขามาโดยตลอดผมถือโอกาสเชิญคุณเกลือบุระ มาคุยกันเรื่องหนังสือหลวงตาและขอให้เขียนรูปของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อเป็นภาพปกและภาพภายในเล่มอีกหนึ่งภาพพร้อมทั้งขอให้ออกแบบปกให้ด้วยในวันนั้นได้คุยกันกับคุณวสินเตยอาทิตติและคุณเด่นเจ้าหน้าที่ของสินสยามการพิมพ์ต่างก็เห็นด้วยและอยากได้ภาพหลวงตาโดยฝีมือของคุณเกลือบุระคุณเกลือบุระมาพร้อมกับลูกชายคนเดียวได้สนใจฟังเรื่องของหลวงตาจากหนังสือเล่มนี้ และได้ขอภาวณาที่จะเขียนภาพให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและคุณวสินได้กรุณามอบทุนการจัดพิมพ์หนังสือเป็นคนแรกจำนวนเงิน 20,000 บาททวนผมตื่นตันใจที่มีเพื่อนเพื่อนคอยช่วยเหลือในการทำหนังสือหลวงตาเล่มนี้ผมถือเป็นนิมิตที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทำให้มีกําลังใจในการทำงานเพื่อหลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเรา ขออำนาจบุญบารมีจงปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างหนังสือหลวงตาเล่มนี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญทุกประการผมและคณะขอขอบพระคุณทุกท่านไว้นโอกาสนี้คุณจันแจมสุวรรณเกตคุณจันแจมสุวรรณเกต เป็นผู้ที่มีความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเธออยู่ในวัยใกล้เกษียณทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรงสะพานพระรามเจ็ด้วยงานของเธอเกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ําและเขื่อนทั่วประเทศจึงทําให้ประสบกับเหตุการณ์ที่เหลือเชื่ออัศจรรย์และปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางานอันเกิดจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้กราบอารธาธนานิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ไปพิจารณาและเมตตาจนปัญหาต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นไปด้วยดีสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติยากที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้อย่างไรในโลกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทันสมัยคุณจันแจมจะเล่าประสบการณ์ในชีวิตการทำงานให้เป็นวิทยาทานเป็นเรื่องที่ไม่บังคับให้เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่ ในหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาเล่มสองรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นโปรดคอยติดตามไม่ควรพลาดส่วนปกหนังสือหลวงตาเล่มนี้คุณจันแจมได้กรุณาอธิบายให้เข้าใจถึงอานิสงฆ์ของการใส่บาดไว้ให้ท่านผู้สนใจได้ทราบและถือปฏิบัติเพราะเป็นบุญที่ท่านสามารถทําได้ด้วยตัวของท่านเองอาจารย์วิรัญญาดวงรัต อาจารย์วิรัญญาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร อ, อายุยังไม่มากเลยวัยเบญจเพศมาคืบกวกว่าเขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้โดยต้องต่อสู้ชีวิตหาทุนเรียนด้วยตนเองจากเงินรางวัลการประกวดผลงานจนประสบความสําเร็จจบปริญญาโทตามความตั้งใจฝ่ามรสุมชีวิตตั้งแต่ยังเล็กจนเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องๆเป็นทั้งพี่และอาจารย์ของบรรดาศิษย์ทั้งหลาย มีผลงานด้านจิตกรรมจำนวนมากซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศเกือบทุกชิ้นเจอรรี่ <Jerry, S 1> เป็นชื่อเล่นของอาจารย์วิรัญญาเธอและครอบครัวเล็กๆของเธออันประกอบด้วยแม่และพี่สาวหนึ่งคนมีความรักและเคารพศรัทธาในองค์หลวงตาอย่างยิ่งเป็นครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านจิตกรรมร่วมกันทั้งสามคนติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ตลอดมาด้วยใจฝักใฝ่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธา และยึดมั่นในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดเธอได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในงานห น, นังสือหลวงตาและหนังสือภาพลายเส้นวัดป่าบ้านตาดซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาศิลปาก่อนโดยได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยจัดคณะอาจารย์และนักศึกษามาร่วมจัดทำหนังสือภาพลายเส้นแสดงทุกมุมของวัดจะทาการพิมพ์และแจกให้กับท่านผู้สนใจในปลายปีพุทธศักราช2552 พิมพ์จำนวนจำกัดและต้องการให้เป็นหนังสือสำหรับเก็บรักษาเพื่อไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงต้นแบบวัดป่าสำหรับวัดป่าในอนาคตหากยังมีป่าหลงเหลือพอที่พระป่าได้อยู่อาศัยและรักษาไว้ให้ลูกหลานบําเพ็ญเพียรภาวนาในอนาคตเธอมีความเห็นว่าที่คั้นหนังสือเป็นของที่ตกหล่นลงพื้นบ่อยๆหากเป็นรูปพระอริยสงฆ์ก็จะเป็นการไม่สมควร เป็นการลบหลู่โดยไม่เจตนาเธอจึงนำรูปผลงานของเธอเองทำเป็นที่คั้นหนังสือแทนทำเป็นห้าแบบด้วยกันและมีคำอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรจึงเป็นคำแนะนำที่ดีตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในเล่มนี้อาจารย์วิรัญญามีศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาในสายเลือดและจิตวิญญาณเธอเขียนภาพด้วยสมาธิและปัญญา ภาพหลายภาพเธอเขียนมาจากความทรงจำในสัญญาจึงเป็นงานที่งดงามมีคุณค่าและเต็มใจที่จะร่วมสร้างงานเพื่อวัดป่าบ้านตาดเพราะเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันด็ตอร์ดาราวันเด่นอุดมอาจารย์ดาราวันเป็นผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนายอมสละอนาคตที่ก้าวไกลในชีวิตราชการ จากการที่ได้ร่ำเรียนจนจบปริญญาเอกที่ยากเย็นแสนเข็นจากประเทศฝรั่งเศสมีคำนำหน้าว่าดอกเตอร์มารับเงินบำนาญเพียงเดือนละไม่ถึงสอง0 0บาทเพื่อเป็นวิทยากรสอนธรรมะให้แสงสว่างแก่จิตใจดวงใสสะอาดของเยาวชนเพื่อที่พวกเขาจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติและประคองชีวิตที่อยู่ในโลกสมมติที่เต็มไปด้วยพยันตรายจากสิ่งยั่วยุที่จะชักจูงให้จมอยู่กับอบายามุข และทำลายอนาคตของพวกเขาอาจารย์ดาราวันได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาฝ่ามรสุมชีวิตจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้รอดตายมาได้อย่างปาฏิหารหาิจจย์มหัศจรรย์ด้วยบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์จึงมีประสบการณ์ส่วนตัวมากมายที่จะมาแบ่งปันเล่าสู่กันท่านที่ติดใจเรื่องของอาจารย์ในเล่มนี้ เชิญร่วมรับรู้ความอัศจรรย์ในบารมีธรรมขององค์หลวงตาที่มีต่อลูกศิษย์เพิ่มเติมในหนังสือหลวงตาเล่มสองและหลวงตาเล่มสในโอกาสต่อไปและที่ในปีกปกหลังของหนังสือเล่มนี้อาจารย์ได้กรุณาให้ข้อคิดในเรื่องมรรคผลนิพพานยังไม่พ้นสมัยแก่พุทธศาสนิกชนไว้ด้วยหนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งเล่มนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ดังที่เห็นนี้ไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ดรดาราวันเด่นอุดมและเพื่อนของเธอคือคุณสุมิตราสอนสงครามในการอาส า, าเป็นบรรณาธิการดูแลปรับปรุงต้นฉบับรวมทั้งพิสูจน์อักษรอย่างเอาใจใส่และเข้มแข็งในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณดรดาราวันเด่นอุดมและคุณสุมิตราสอนสงครามที่กรุณารับเป็นทุระในการจัดทําหนังสือนี้จนสําเร็จลุล่วงและสวยงาม ลงชื่อคุณหลวงสิบเมษายนพุทธศักราช2551บทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช